อุบาสกอุบาสิกาที่เข้าไปอบรมพระกรรมฐานในเรื่องการพิจารณาสภาวธรรมหลวงพ่อท่านพูดถึงประเด็นของเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นเรื่องหลักธรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลสูงสุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะติดตามรับฟังเรื่องพระนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณอัตมาขอยกผลของการปฏิบัติของพระผู้สุปฏิปโนว่าพระนิพพานแท้โดยปรมัตย์นั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาดังที่ปรากฏในหนังสือพระธรรมเทศนาเรื่องติลักขนาที่ขาถาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร แสดงไว้เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพุทธศักราช2497ในหนังสือชีวประวัติและผลงานรวมพระธรรมเทศนา6กกันหน้า407ความว่าส่วนกายพระอรหัตถ้าถึงพระอรหัตแล้วก็เป็นนิจจังสุขังอัตตาแท้ธรรมกายก็มีขันเหมือนกันแต่เป็นธรรมขัน ไม่เรียกว่าเบญจขันธ์เป็นธรรมขันธ์เสียมีธาตุเหมือนกันเป็นวิราคธาตุเป็นวิราคธรรมและผลของการปฏิบัติของพระเดชพระคุณพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่ากล่าวไว้ในโอวาทของท่านในหนังสือมุตโตไทยหน้าที่24ว่า แม้พระบรมศาสดาของเราก็เช่นเดียวกันพระองค์ประทับนั่งณนะขวงไม้โผพรึกแห่งเดียวเมื่อจะดับโลกสามก็ไม่ได้เหาะขึ้นไปในโลกสามคงดับอยู่ที่จิตที่จิตนั้นเองเป็นโลกสามฉะนั้นท่านผู้ต้องการดับโลกสามพึงดับจิตของตนจนทำลายกิริยาคือตัวสมมุติหมดสิ้นจากจิต ยังเหลืออยู่แต่อกิริยาเป็นทีติกิตทีติธรรมอันไม่รู้จักตายชนิดแหลและผลของการปฏิบัติที่พระเดชพระคุณพระราชวิสุท ธ, ธิยานาโสพลหรือหลวงตามหาบัวยานาสัมปันโนที่ได้แสดงไว้ในหนังสือธรรมเทศนาเรื่องความตายเป็นธรรมดาในหนังสือชุดรมชุดเตรียมพร้อมหน้าสีห้าว่า การที่เราอยู่ในเวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี้แลคือการดำเนินเพื่อหลบปลีกปลีกภัยทั้งหลายโดยลำดับจนบรรลุถึงมหาสมบัติอันพึงหวังจากนั้นจะเรียกว่านิจจังเป็นของเที่ยงก็ได้เพราะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทำลายจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายจะเรียกว่าบรมสุขก็ไม่ผิด จะเรียกว่าอัตตาก็ไม่น่าจะผิดเพราะเป็นตนแท้คือตนในหลักธรรมะหลักธรรมชาติไม่มีสมมุติน้อยใหญ่แม้แต่ปรมนณูเข้ามาเกี่ยวข้องใจแต่ไม่ได้หมายถึงอัตตาที่คู่กับอนัตตานั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นทางนำเนินเพื่อบรรลุพระนิพพาน และสหลวงปู่ชอบฐานะโมแห่งวัดป่าโคกมนบ้านโคกมนตำบนผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้พูดเรื่องนี้ไว้ในหนังสือชีวประวัติฉบับปรับปรุงพศ2 5งพหน้าหนึ่งร้่าถึงนึริว่านิพพานไม่ได้ศูนย์ไม่ได้อยู่ตามที่โลกคาดคะเนหรือเดากัน ทาจริงจะได้เห็นของจริงรู้จริงและจะเห็นนิพพานเองเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านบริสุทธ์เองและหายสงสัยโดยประการทั้งปวงที่อัตมายกมาให้สาธุชนได้รับฟังนั้นเป็นผลปฏิบัติของพระผู้สุปฏิปโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสายพระป่ามีพระเดชประคุณ หลวงปู่มั่นภูริทัตตามหาเถระเป็นต้นเพื่อที่จะยืนยันหลักธรรมตามแนววิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้และบูรพาจารย์ครูบาอาจารย์ได้สืบทอดต่อๆกันมาและแสดงอ้างถึงทั้งหลักฐานในคำพีทางพระพุทธศาสนาในวิธีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติยืนยันตรงกันกันกบพระ ผู้สุปฏิปัโ น, โนเหล่านั้นที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อที่จะให้สาธุชนมั่นใจว่าพระนิพพานแท้โดยปรมาทิฐิหลวงพ่อจะแสดงให้ฟังต่อไปนี้คุณโยมจงจับประเด็นให้ดีว่าประเด็นธรรมะท่านพูดถึงเรื่องพระนิพพานแท้โดยปรมัติฐนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นบรมสุขบุคคลใดหรือพระโยคาวจรใดเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นจะรู้ถึงสภาวะนั้นว่าพระนิพพานนั้น มีอยู่ไม่ได้ศูนย์หายไปไหนมารับฟังประเด็นธรรมะเรื่องนี้ให้มั่นใจลงไปอีกว่าหลวงพ่อท่านแสดงไว้ว่าอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรับฟังพร้อมกันใครเขามาเถียงหรือมาว่าว่าไอ้นี่เป็นแต่สมถะหรือว่านิพานธาตุใครว่านิพานธาตุเป็นอนัตตานะครับ หลวงพ่อวัดปากน้ําสอนว่านิพานธาตุโดยประมาจินั่นเป็นอัตราผิดให้มาอ่านหนังสือนี้ให้นังสือเขาอ่านแต่คุณอย่าทำผมขาดก็แล้วกันว่าอย่างนี้อ่านให้จบแล้วคุณค่อยมาเถียงว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเอกสารหลักฐานข้ออ้างอิงอยู่ในนี้และพระปฏิบัติจริงๆนะครับท่านก็เห็นด้วยอย่างนี้เห็นตรงกันแหละหลวงพ่อบัวนี่ท่านยังไม่มรณาภาพท่านอยู่ไม่เชื่อไปถามท่าน ว่านิพา น, นเป็นนิจังสุขขังและก็มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนใช่หรือไม่หรือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าแค่เป็นอนัตตาไปถามท่านถ้าไปถามท่านดีก็ดีไม่ดีเดี๋ยวท่านจะสะดุกดีกลับมาวิ่งหนีออกมาไม่ทันครับเพราะว่านิพานจะเป็นอนัตตานิพานธาตนะุจะเป็นอนัตตา เหมือนกับสังขารไม่ได้เพราะเป็นวิสังขารมันคนละเรื่องกันแต่ว่าทำไมถึงผู้สอนอธิบายตามอัฏฐกถาจารย์ซึ่งเขามีเนื้อความลึกซึ้งแต่ไม่เข้าใจถึงคำเดียวแหละกระผมจะบอกพระเดชระคุณท่านนะครับสัพเพธรรมานตตาติ ยะทาปัญญาปัสสติอาทะนิพินติทุเคเอสมะโควิสุทธิยาคำอย่างนี้แหละมีมาอย่างนี้แหละสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารเป็นทั้งปวงเป็นทุกรมทั้งปวงเป็นอนัตตานะยามใดหรือเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นทำทั้งปวงเป็นอนัตตา เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกขอถานิพินทติทุกเคเอสมะโควิสุทธิยานี้เป็นทางหมดจดอัฐนิพินทติทุเขนีเห็นทมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อนั้นพระโยคาวจรนั้นจึง เบื่อหน่ายในทุกข์คําว่าเบื่อหน่ายในทุกในอยู่ในขั้นไหนของวิปัสสนาญาณอยู่แค่นิพิทายานนิพิทายานและนิพิทายานนี่ยังไม่ถึงนิพานเลยยังใช้สังขารทั้งปวงเป็นเครื่องพิจารณาเท่านี้แหละยังไม่ถึงนิพานพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสนิพานข้อนี้แต่คนแปลนะ ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาวงเล็บทั้งสังขารและวิสังขารคือพระนิพพานด้วยสวัสดีเลยตายไปเดี๋ยวก็ผลจะออกแหละจะปรากฏแล้วที่ได้ดประกาศอย่างนี้ไปเถอะไอ้วงเล็บหรือตีความหรือขยายความตัวเองขยายผิดเพราะไม่ได้สังเกตไม่ได้ปฏิบัติคาว่ายะธาปัญญาปัตสติอถนิพินสติทุเคตรงนี้เอสามโควิสุทธิยา เมื่อใดที่พระโยคาวาจอนพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอนัตตาก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีตนนะอนัตตานี่ไม่ใช่ไม่มีตนนะหลวงพอ่อหลวงพี่มีแต่มันไม่ใช่ตนคือไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนถ้าเรียนบาลีนี่หลวงพี่นี่นมหานัตพลประโยชน์ปท .9 ให้ท่านชี้แจงให้ฟัง นะครับอันนี้เป็นเรื่องของบาลีไวยากรณ์เหมือนกับที่ว่านี่เป็นคำสมาติณอัดโศอนัทโศ อ, อายังสัตตสัตสต์นี้ไม่ใช่มา ไอ้คำว่าสัตว์นี้ไม่ใช่หมาเนี่สัตว์มีเป่ามีเป่าเออมีสัตว์นี่ไม่ใช่หมานี่ก็แปลว่าหมาก็มีไอ้สัตว์ตัวนี้มันไม่ใช่หมาเหมือนคําว่าอนัตตาอนัตตาเหมือนกันณัตตาอนัตตา อายังปุริสโสก็ได้บุรุษนี้ไม่ใช่ตัวตนนะอัตตาไม่ใช่ตัวตนอนัตตาเมื่อเป็นคําสบาดใช้คำว่าอนัตตานี่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีตนนะในคนหลังๆนี่เก่งมากแปลว่าไม่มีตน ที่แท้ไม่ใช่ไม่มีตนมิใช่ตัวตนคือไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนทีนี้ถามว่าตัวตนมีเปล่ามีของตื่นต้นนะครับแต่ว่ามันเส้นผมบางภูเขาบางคนก็อ้างไปอีกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่านิพานเป็นหรือว่าไม่ไม่เคยตรัสเรื่องอัตตาไม่มีอันนี้กระผมจะชีปะเดนให้ทราบ อพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสอยู่ในอนัตตลกนาสูตรนะครับอยู่ในอนัตตลกนาสูตรที่ตรัสสอนปัญจวัคคีย์ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระโสดาบาันบุคคลหมดทั้งห้ารูปแล้วตกกระแสแล้วไอ้นั่นแหละสอนเรื่องนิพพานนั่นแหละสอนเรื่องนิพพานรูปังอนัตตา พิก เ, เวรูปังพิก เ, เวอ ต, ตารูปดูปปก่อนภิกษุทั้งหลายรูปแล้วเป็นอนัตตาหลวงพี่ช่วยบอกนิดนึงว่าอาถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซหลุงพี่ว่ารูปปันใจทางพิก เ, เวอัูตาอภวิสส ะ, <c oughs> ะอหนยี่ถังวะ รูปัญจะยิทังพิกเวอตัตตาอภิวิษฐะนัยยิธังรูปังอาภาทยายะสังวัตตายะนรับเทตจารูปเปอวังเมรูปังโหตุอวังเมรูปังมาโหสีติมาโหสีเอาอยะสมายะสมาวยะสมาจะโหพิกเวรูปังอัตตาตารูปังอาภาทยายะสังวัตตยะสังวัตติสังวัตติ อ, อ, อานาคา นี่คำแปลย่อตรงนี้เนะี่ยที่ท่านว่ามาดูกระภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จะได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิ ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธสิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอัตตาคือสิ่งที่ไม่อ า, าพาธแต่รูปนี้ น, นี่ยัสมาเนี่ยแต่รูปเนี่ยเพราะรูปนี้เป็นอนัตตาดูกระพิสูทั้งหลายเพราะรูปนี้ เป็นอนัตตาตัดสมารูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธอาพาทายะสังวัตติรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธเห็นไม้มตรัสแล้วอัตตาถ้ารูปนี้จกได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิเห็นไหมล่ะถ้าอะไรเป็นอัตตาแล้วต้องไม่อาพาธ แต่รูปนี้เป็นอนัตตาจึงเป็นรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธเห็นไ้มล่ะตรัดแล้วเรื่องอัตตาใครว่าไม่ตัดใครว่าไม่ตรัดร ต, ดตัดแล้วแต่พระปัญจวคีท่านถึงกระแสะแล้วท่านรู้แล้วโออัตตาแท้มันมีอยู่แต่ว่ารูปนี้หรือเบญจขันเป็นอนัตตาคือณอัตตาอนัตตาอายังปุริโส ใช่ไหมพี่เอาอายังอะไรดีขันธปันจะกังนะครับขันท่าห้านะครับเออเอาขันธปันจกนี้นคัเอออายังขันธปันจะกังครับขันธปันจกนี้ก็คือหมายถึงเบญจขันธแต่ทําเป็นเอกวจนะใช้อายังที่่พทีทางนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ ตรัสเลวไม่ใช่ไม่ตรัสแต่ว่าคนท่องแล้วข้ามเพราะฉะนั้นสัจธรรมนี้กระผมจึงต้องยืนหยัดและกระผมจึงได้ประกาศว่าถ้าใครวิภาควิจาร์วิชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนกระผมกล้ากล่าวเลยว่าท่านผู้นั้น วิจารในทางลบนะว่าผิดท่านผู้นั้นไม่ใช่นักปฏิบัติและกล้าพูดทุกคนที่วิจาร์ว่าผิดว่าคนวิจาร์นั่นแหละผิดแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านบอกว่าเสริมชัยถ้าใครเขาจะให้ไปพูดที่ไหนอย่าไปนะ แต่ถ้าว่าเขาจะมาฟังที่นี่เสริมชัยจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะท่านไม่ว่าเพราะฉะนั้นมีขณะนี้มีผู้ที่วิจารณ์ในลักษณะว่าล่อเสือออกจากถ้าจะให้กระผมออกไปพูดไปชี้แจงหรืออะไรก็แล้วแต่ออกไปโต๊ะแต่ผมไม่ไปหรอกนี่เริ่มมีหนังสือพิมพ์เข้ามาถามแล้ว ก็ผมบอกว่าถ้าเรื่องอื่นไม่พูดนะแต่ถ้าเรื่องวัดนี้เรื่องธรรมะวิชาธรรมกายแล้วมาเลยจะพูดเต็มอัตราเลยผมบอกไปอย่างนี้บอกไปเมื่อตอนบ่ายเอาตอนเช้าพยายามเขาพยายามที่จะมาขอสัมภาษณ์บอกถ้าเรื่องวัดอื่นไม่พูดเรื่องอื่นก็ไม่พูดถ้าเรื่องธรรมะวิชาธรรมกายเรื่องกิจกรรมในนี้มาเลยยินดีจะพูด อันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่ายินดีจะชี้แจงเพราะฉะนั้นกระผมมั่นใจครับพระคุณเจ้ามั่นใจทีเดียวกระผมพูดมาทั้งหมดนี้ต้องการจะชี้ว่าภายในวัดตะมีมากเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าประมาทท่านทั้งหลายมานี้ดีแล้วบุญใหญ่กุศลใหญ่กระผมกราบเรียนพระคุณเจ้าด้วยและเจริญพรญาติโยมด้วยแม้เลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงโยมด้วยกันนั้นนั่นแหละโยมที่นั่งนี่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรม แค่นี้อานิสง์นับประมาณไม่ได้ไม่ต้องพูดอาตมานี่มีน้อยทําน้อยมีมากทามากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลามันจะถึงที่อับจนมันก็ไม่ถึงที่ที่สุดมันพอช่วยไปได้และเมื่อไอ้กรรมเก่ามันหายกรรบาบังเราแล้วเราก็เจริญก้าวหน้าได้ในทุกเรื่องในทางที่ดีเพราะฉะนั้นผลดีของกรรมดีนั่น เห็นในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติน่ะผลของกรรมชั่วก็เห็นชาตินี้ล่ะครับโยมเอยไม่ต้องเห็นชาติไหนเห็นชาตินี้เพราะฉะนั้นมาเนี่ยดีแล้วเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่มาปฏิบัติมารู้มาเข้าใจอย่างนี้นะเอาละเอางั้นให้พรก่อนสุดท้ายนี่อาตมภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย จงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระคุณเจ้าทุกท่านสามเณรทุกรูปญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงปราศ จ, จากความทุกข์สุโรคภยัยสพภพะอันตรายและอุปัตรวันตรายทั้งปวงจงมีอายุมั่นขวัญยืนจงมีสติปัญญาอันเห็นชอบกล้าแข็งรู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข ไม่ไปในทางเสื่อมที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัตว์ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทินสาธุชนก็ได้รับฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมงคโลโในเรื่องเกี่ยวกับ พระนิพพานท่าโดยปรมาติว่าเป็นอัตตาแต่อัตตาที่หลวงพ่อได้พูดถึงนั้นไม่ใช่อัตตาตัวตนที่ประกอบด้วยเบญจขันธ์หรือสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้หลวงพ่อท่านไม่ได้กล่าวถึงส่วนนี้เพราะมีบางท่านเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติธรรม ตามแนววิชาธรรมกายนั้นสอนเรื่องพระนิพพานว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนตรงนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรจริงๆหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนว่าตัวตนที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอัตตาตัวนี้ท่านรู้ว่าเป็นอนัตตาเพราะไมเ่เป็นไปในอำนาจไม่อยู่ในอำนาจ มีการเกิดแก่เก็บตายตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์แต่อัตราที่หลวงพ่อได้พูดถึงนั้นท่านกล่าวถึงพระนิพพานธาตุโดยประมัติซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกันกบไตรลักษณ์หรืออนิจจลักษณะดังมีบางตอนที่ท่านได้ยกเอ า, เอาสภาวะเหล่านั้นมาเปรียบเทียบคือสภาวะธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ก็จะตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษ์คือเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงประกอบด้วยทุกเป็นทุกขังและผลสุดท้ายก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี้คือสภาวะธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารธรรมจะมีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีล้วนตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษ์ทั้งนั้นจะหลีกพ้นไปกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้ไปไม่ได้ แต่จะมีอีกสภาวะธรรมหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับสภาวะธรรมไตรลักษณ์นี้คือสภาวะธรรมนั้นท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารธาตวิสังขารธรรมคือธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งไม่ตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์ซึ่งเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกันเช่นสังขารประกอบด้วยความไม่เที่ยง แต่วิสังขารประกอบด้วยความเที่ยงคือนิจจังสังขารประกอบด้วยทุกทุกขังแต่วิสังขารนั้นตรงกันข้ามคือเป็นสุขขังหรือที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังหรือว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะและอันสุดท้ายสังขารเป็นอนัตตามิใช่ตัวตน แต่วิสังขาร น, นั้นจะเรียกว่าอะไรนะจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าธรรมชาตินั้นเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอนัตตาอีกในหนึ่งหรือซึ่งมันผิดกับความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็สาธุชนผู้มีปัญญาผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมก็จงพิจารณาว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสสภาวะธรรมตรงนั้นว่าเป็นอมตงประทัง หรือเป็นท่วงคือย่างยืนทุวสฐานังเป็นฐานะที่ไม่เคลื่อนตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะต้องทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งจะได้ไม่หลงประเด็นในธรรมะปฏิบัติจะไม่ได้เป็นศีลพัตะปามาหรือความยึดถือว่า สำนักนั้นสอนอย่างนั้นสำนักนี้สอนอย่างนี้จงเทียบเคียงกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคือคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาและผลของการปฏิบัติของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือจากหลักฐานชีวประวัติและผลงานของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ยืนยันผลของการปฏิบัตินั้นตรงกัน ว่านิพพานแท้โดยปรมัตินั้นเป็นสภาวะที่เป็นบรมสุขไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันสำหรับผู้ที่เข้าถึงแล้วดังที่หลวงพ่อพระมหาบัวญาณสัมปโนหรือหลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าจะเรียกว่าอัตตาก็ไม่น่าจะผิดเพราะเป็นตนแท้คือตนในหลักธรรมชาติไม่มีสมมุติน้อยใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่ปรมาูเดีวนี่แหละ สาธุชนทั้งหลายนะอย่าหลงประเด็นธรรมะธรรมะเรื่องเหล่านี้เราต้องพินิษ์พิจารณาด้วยความรอบคอบและศึกษาปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรมจึงจะเกิดผลดีกับตัวเราเองผู้ศึกษาและปฏิบัตินั่นแหละจะได้ไม่หลงตามกระแสสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้นำหลักฐานและคาบรรยาย จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเรื่องการพิจารณาสภาวะธรรมและในตอนท้ายนี้สำหรับตอนที่สามนี้ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องพระนิพพานยกมาว่าพระนิพพานแท้โดยปรมาินั้นไม่ใช่เป็นอนัตตาว่างเปล่ายังเป็นสภาพที่ผู้เข้าถึงนั้นเป็นบรมสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สาธุชนผู้มีปัญญาก็จงพิจารณาและไครครวนศึกษาปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนสำหรับวันนี้อาตมาก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านจงอย่าละการปฏิบัติธรรมมีเวลาก็มันตรึกตรองปฏิบัติธรรมอยู่เสมอปฏิบัติสายไหนก็ได้ถ้า ทำให้ใจเราสงบทำให้เราละกิเลสได้นะหรือจะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายโดยตรึกนึกหเห็นดวงแก้วโกรมใสและท่องสัมมาอรังอยู่ตรงกลางกายกลางท้องของเราจนกว่าเราจะใจจะหยุดจะนิ่งจะปรากฏดวงทําใสแจ่มขึ้นมาแล้วก็มันปฏิบัติอยู่ทุกอิเดียบทยืนเดินนั่งนอนผลแห่งความสงบสันติสุขก็จะเกิดขึ้นแก่สาธุชนเองสาหรับวันนี้